ขอน้อมน้อมอาราธนาใจขอกาบคารวะนักผู้เรียนนักผู้ขับเขียนและขอกราบอัเิรานุิระครัวชาจรที่มาร่วมในกิจกรรมล้างสานที่ครั้งนี้และต้องขอเจริญพรยากโย่ผู้รักสุขภาพชกท่าน ตัวผมเนื้อแมาเองก็ได้เป็นผู้หนึ่งที่มาเข้าร่วมล้างพิษครั้งนี้เป็นครั้งที่สองได้ฟังจากที่ <c oughs> โยมหมอหนาได้อธิบายวิธีการล้างพิษแล้วเนี่ยก็มาเปรียบเทียบ ก, กับการล้างพิษทางใจเหมือนกันคือเท่าที่ดูเนี่ยเรา เราสังเกตว่าชีวิตของเราเนี่ยเรามีชีวิตอาหารการกินเนี่ยแล้วก็กินไปตามที่เราเคยกินหรือว่าชอบอบางครั้งมันก็เป็นพิษเป็นโทษทีหลังนะโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกของที่ของมันของอะไรทั้งหลายมันก็เป็นตุกตะกรซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาลุกขีก็เป็นรถไฟใกล้เจ็บไปแล้ว แต่สนะิ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ เ, เราไม่รู้มาก่อนนะได้ได้มาฟังหมอหน้าพูดแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าโอ้มันมีเรื่องนี้ด้วยนะอาหารการกินชีวิตประจําวันของเราเราบำรุงลเลอร์ร่างกายของเราเนี่ยเราไมนก็ทําไม่เกิดพภัยขึ้นมานะจนเราจะต้องมาล้างพิษกัน ทีนี้ในแง่ของจิตใจเนี่ยก็มีเหมือนกันแตนะ่จิตใจของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีเราก็ทาไปตามความเคยชินบางทีเราก็ทาไปตามอารมณ์บางทีเราก็ทาไปตามความคิดเพราะนั้น เ, เราจะสังเกตว่าคนบางคนเนี่ยอายยิ่งมากขึ้นก็เป็นคนที่อาแต่ใจตัวเองแลนะเป็นคนที่มีความ ทุกง่ายสุขยากอะไรอย่างนี้เลยเป็นคนวิตกกังวลหรือแม้แต่ที่เราม า, าล่างสารพิษกันเนี่ยนะจะมาด้วยกับผมเองก็เชื่อว่าเราก็เห็นความสําคัญในเรื่องของสุขภาพกายนะแต่สุขภาพใจเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญอีกอ น, นึ่งที่เมื่อวานท่านอาจารย์ธนชิชก็ได้พูดไปแล้วแต่ว่าคนเราเนี่ยมันก็มีทั้งกายแล้ก็มีทั้งใจ การที่เรามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะนอกจากจะได้ล้างล้างพิษทางกายแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ล้างพิษทางใจด้วยนะอาการล้างพิษทางใจนั้นความเคยชินความที่เราเคยทําอะไรไปตามอารมณ์หรือไปตามความคิดเนี่ยนะมันเป็นความเคยชินที่สะสมมานานนะก็คงจะเหมือนนิ้วที่มันอยู่ในตับ ก็ยังในถุงน้ำดีนะที่มันจัดสมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นวัตถุอนะมันเป็นความเคยชินที่เราทําอะไรไปตามความเคยชินหรือตามความยากแล้วเราก็ไม่รู้ทันมันดังนั้นบางครั้งเราก็จะทุกข์โดยที่ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันจากโรคที่เราได้เรียนรู้จากโยมหมอหนาเนี่ยจะทำให้เห็นเลยว่ามูลเหตุหรือสาเหตุสาคัญของโรคเนี่ยมันเกิดจากการที่มีเนื้อก็รือเนืองตับ ตรงนเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วเราก็ไปแก้ตรงเหตุนะอะฮะทีนี้ในแง่ของความทุกข์ของพวกเราเนี่ยแล้วก็เกิดตรงที่เราไม่รู้ทันความคิดหรือไม่รู้ทันตาลของเราโดยเฉพาะความคิดเนี่ยเป็นส่วนสำคัญสิ่งที่จะมารู้ตามความคิดได้ก็คือความรู้สึกตัวหรือสตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยอเจ้าชาิทธาตถ์ได้ค้นพบเมื่อประมาณสองพันหกรอยปีเราก็ได้เรียนรู้กันมา แล้วก็คูบาอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีรูปแบบของการปฏิบัติหลายรูปแบบทีนี้พอมาถึงในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยหลวงหล้งปู่เทียนท่านก็ได้เอาวิธีการนั้นอ่ะมาใช้เป็นแบบว่ามาประยุกใช้กับสังค ม, มอุต ส, สาหกรรมสมัยก่อนเราเป็นสังค ม, มเกษตรกรรมก็เป็นสังค ม, มที่เราไม่ต้องรีบร้อนเรามีเวลา ที่จะนัภาวนาหลับตาบริกรรมอะไรต่างๆได้แต่แล้ววันนี้เนี่ยเราต้องเคลื่อนไหวเราต้องลืมตาเราต้องเดินเราต้องทำนู่นต้องทำนี่เพราะฉะนั้นนี่คือการเจริญสติที่ท่านอาจารย์คันชิตได้แนะนำไปเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นการประยุกต์เอาเรื่องของการฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจําวันเนอจาก ตัวเราเนี่ยหรือใเราเนี่ยมันไม่เข้าอยู่กันเนี้อกับตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอุบายที่จะดึงใจเนี่ยมาอยู่กับเ น, นเี้อกับตัวโดยการยกมือสร้างจังหวะเดินชมกลมซึ่งเมื่อวานท่านอาจารย์ที่ก็ได้แนะนำไปแล้วก็ ค, วคิดว่าพวกเราคงจะได้รูปแบบและ ว, วิธีการที่ฝึกซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวก็ผมเลือกสบาเองที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็นอกจากจะได้เรื่องของกายแล้วเนี่ยเราก็ได้เอาเรื่องของกรรมฐานที่เราฝึกเนี่ยมาใช้ในเวลาที่เราหิวเนี่ยเรารู้สึกย่างไรเราโกนกระวายไหมหรือร่างกายเราก็หิวไปแต่ใจเราเป็นปกตินะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราสามารถจะมาใช้ในการฝึกได้ หรือเราที่ตกกังวลไปต่างๆมานานว่าเฮ้ยจะเป็นอะไรไหมถ้าเราไม่ได้กินนานมันจะเป็นโรคกระเพาะไหมอะไร่ยก็คิดกังวลไปอันนี้คือความเคยชินที่เราไม่รู้ทันความคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทำให้เราทันกับไอ้ความคิดอย่านี้ความคิดนี่ก็บอกไวามากแต่ก็มีสิ่งที่ไวไวกว่าความคิดก็คือความรู้สึกตัว ถามว่าเอ๊ะเราไม่มีความรู้สึกตัวเหรอมีแต่ที่มีอยู่เนี่ยมันเฉยมันเฉยมันไม่คําเพราะนั้นเรารู้แน้ว่าโกรธไม่ดีเบื่อไม่ดีแต่เราก็ยังโกรธอยู่เห็นั้ยเพราะว่าสติมันมาไม่ทันความโกรธนี่มันววดขึ้นมามันเรงวมากเส้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ฝึกสติเอาไว้ ไ้ฝความรู้สึกตัวไวเนี่ยมันจะช่วยได้มากโดยเวพาในช่วงที่เรามาอยู่กัน4ีหวันตัวผมก็ทำไมเราคิดว่าพวกเราเขาคงจะได้เรียนรู้กับความทุกข์ของของร่างกายและก็ความทุกข์ของจิตใจที่มันเิดกันอยู่แล้วแต่บางคนก็มีตกกังวลต่างๆนานาขาดการล่วงหน้านี่มันจะเป็นยังไงถ้าไปกิที่หารแล้วมันจะเป็นยังไงบางคนก็เลยต้องกักตุนเงนเยอะ ดื่มินน้ำามาถามเยอะๆอย่างนีซึง่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นปัญหาภายหลังได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นีก็เป็นเรื่องที่เรามันเป็นปัญหาทางจิตใจด้วยแต่ไนะม่ใช่ปัญหาสุขภาพทางกายอย่างเดียวแต่ถ้าเราเรฝึกสติเอาไว้ฝึกความรู้สึกตัวไว้เนี่ยเราก็จะวางใจสบายๆกายเนี่ยมันก็ทุกข์นะมันก็ทุกข์ไปเบียดหิวนะแต่ว่าใจเราไม่ไปหิวมันด้วย เรารู้อยู่แต่เราวางใจเป็นปกติเพราความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันปรับสมดุลเพราะฉะนั้นตัวสติหรือตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนเป็นตัวมาล้างมาล้างความไม่รู้สึกหรือความคิดต่างๆแต่ตรงนี้คือการล้างพลิกใจดีเพราะฉะนั้นเรามาครั้งนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวไม่นกสองตัวก็คือล้างพลิกกาย แล้วก็ร่างพิจายด้วยร่างพิจารเราก็ทำตามที่หมอนา ห, หรือกลุ่มที่เขาได้แนะนําไว้ น, นั้นคือร่างกายส่วนร่างพิจัยก็คือมาทําความรู้สึตัวแตนะ่ซึ่งมีรูปแบบที่ได้ฝึกกันไปแล้วเมื่อเมื่อวานนี้แนตะ่ตรงนี้บางคนอาจจะเคยฝึกแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยฝึกแต่ก็นะคิดว่าลองทําดูแตนะ่นอกจากเราจะได้สุขภาพกายที่ดีขึ้น เราก็ได้สุขภาพใจที่หดีขึ้นมาด้วยนะแล้วก็อยจะไปใช้ในชีวิตจําำมาจากประสบการณ์ที่ตัวผมเป็นธรรมมาเองได้ร่วมการรับผลิตข่าวที่แล้วเนี่ยก็มีสิ่งที่ออกมาก็ไม่มากเท่าไหร่นะเพรจะเป็นครั้งแรกนะแต่ก็สิ่งห น, น, นึ่งการอันหนึ่งก็ได้ได้ฝึกความอดทนนะอดทนต่อความผิวอดทนต่อสภาพที่ร่างกายเรา ม, มันไม่มีอาหารที่เราเคยเคยกินเคยฉแต่มีแต่ของเหลวแล้วก็ตอนดีท็อกออกมาก็จะออกมาเรื่องูสบายออกมาดีดีมากและตอนนั้นแล้วมันประกอบก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าตัวพระพุทมาเองเนี่ยดูแลเรื่องอาหารในการในการขบฉันบอสมควรอะไรมันๆอะไรหวานๆนพยายามเลี่ยน ที่เขาถวายมาแล้วก็นิดหน่อยแลก็พยายามจะไปเน้นเน้นผักเน้นผลไม้เน้นเนืสัตว์นี่ก็ก็ไม่มากนิดหน่อยแล้วก็ก็รู้สึกว่าสบายสบายตัวก็ไม่พยายามไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคือเราไปดูคนอื่นโอ้โหก็ออกมาเยอะเลยนะของเราออกมานิดเดียวเแงเราทําให้ถูกหรือเปล่าแล้วจริงๆมันก็แต่ละคนก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันมันแล้วแต่ว่าชีวิตของเรา การกินเราเราเป็นยังไงตนะตรงนี้แลนะคิดว่าเมื่อผ่านคอร์สล้างพิษไปแล้วเนี่ยน่าจะมีส่วนของการเรียกให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการในการกินนะแต่ก่อนเราอาจจะเคยกินตามที่เราเคยชินอะไรอร่อยอร่อยอะไรมั น, มนก็กินไปตามนั้นนะซึ่งผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาแล ที่เรามาลางพิษต้องมาลางพิ ก, กนอย่างนีนะ้ตรงนี้ก็น่าที่จะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินได้แยาซ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับสมดุมของกายแล้วก็ถ้าเราได้ฝึกสติจเจริญสติเนะ่ยก็จะเป็นการปรับสมดุลในใจของเราด้วยอันะนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นประโยชนนะ์ที่มาร่วมกันใช้ชีวิตในในครั้งนี้นะครับก็ ตัวข้าพเจ้าจะมาเองก็คงจะไม่ไม่ไม่ต้องการพูดอะไรมากนะเพราะว่ า, าสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังไปคราวที่แล้วเมื่อวานนี้นก็น่าจะ เ, าเป็นสิ่งที่เป็นที่เราให้เราได้ฝึกหักนะก็อยากจะใช้เวลาที่เหลือนี้อีกประมาณสักสินาทีเนี่ยอยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยร่วมกันมาเาจเริญสติ ประมาณสักสินาทีร่วมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรต่อไปเดี๋ยวก็ให้ท่านจะได้แําเสนอต่อไปแล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับได้ร่วมกันจเจริญสตริร่วมกันประมาณสักสิบนาทีนะครับ แล้วก็ขอสอง่งกวเกันไปลานก็ขออนุโมทน า, าจูหมอนาและก็ทีมงานที่ได้มาจัดกิจกรรมครั้งนี้อะไรพวกการดูแลอภิสุทสงฆ์ทั้งที่อาภาดื่ไม่ได้อาภาดาา ก, ก็ตามตการดูแลพระสบที่อาภาดพรพุทธเจ้าท่านพูดว่ากำหนดการได้ดูแล พิทักษ์องคด้วยแลก็พวกเราได้มาดูแลสุขภาพของตัวเราเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวัดป่าสุกโตก็ได้เป็นสถานที่ที่่อยเกินประโยชน์กับทุกท่านก็ท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะขออวยพรให้ความตั้งใจของทุกท่านที่มาดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ย อยามีส่วนที่จะช่วยทาให้ทุกเท่า น, นี้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีอายุยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพใจเนียก็คือความเป็นปกติของใจเนียได้อยู่กับตัวเราแล้วก็ได้พบได้เห็นในปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็ขอตัวโมาะทุกท่าน